วันนี้อาตมาจะพูดเรื่องเล่าสู่กันฟังคือจะนําชีวิตเก็ดเล็กเกศน้อยภูบาจ้าต่างๆมาเล่าท่าที่เวลาจะเอือ้อวันนี้ขอเล่าเรื่องหลวงพ่อชาก่อนหลวงพ่อชาสุพัฒโทท่านอยู่วัดหนองปราพพง์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายไปที่นับถือชาวต่างชาติด้วยท่านจะเป็นพระที่ทุกคนยอมรับว่าท่านเป็นพระอะริยบุคคล คนที่ไปวัดส่วนมากก็จะมากราบท่านบางคนก็มาขอเครื่องลางของขลังก็มีคุณพระผู้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งหลวงปู่ชามีคนศรัทธา ม, มากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีเอารถยนต์มาถวายซึ่งหลวงปู่ชาก็ตัดสินใจประชุมสงฆ์ทางคณะสงฆ์ก็เห็นว่าสมควรรับไว้เพื่อหลวงพ่ชาจะได้ไปที่ไหนที่ไหนสะดวก คือว่าหนองพงษ์จะมีสาขาต่างๆมากมายเอาไว้ใช้เดินทางไปเยี่ยมสำนักสนักต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอสะดวกแต่หลวงปู่ชาก็บอกว่ามีความเห็นไม่ตรงกับลูกศิษย์บอกว่าผมไม่อยากรับเพราะถ้ารับรถมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดต้องเติมน้ำมันซึ่งเกิดเป็นภาระวุ่นวาย และชาวบ้านบางคนก็ยังยากจนอยู่ยังไม่มีรถขับเลยแต่พระมีรถหรูไปไหนมาไหนซื้อบางทีก็อาโยมและอย่างหลวงพ่อชาก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์สะดวกสบายก็อยากให้ลำบากมั่งจะได้รู้รสชาติของชีวิตเพราะเมื่อสมัยก่อนครูบาอาจารย์สายลูกปูมั่นไปไหนก็ทุดตงกัน เดินตีนเปล่าจนบังค้างเท้าพองก็มีสมัยนู้นลำบากมากครูบาจาแต่ละคนแล้วก็บรรลุทางกันมากมายเพราะไม่กลัวความลำบากความทุกข์ยากจะสมัยนี้พาไปไหนก็สะดวกสบายนั่งรถ VIP พบางคนก็นั่งเครื่องบินด้ซ้ำซึ่งยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยนี้พาะลรอ่อนแอไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อน คามเพียงก็ย่อหย่อนอยู่ในโลกของวัตถุอิยมหรือถูกวัตถุอิยมครอบงำจิตใจนี่เราจะได้ข่าวพวกนักหนังสือพิมพ์ลงทุกวันช่วงนี้กระแสว่ามีพระนั่งเครื่องบินส่วนตัวบ้างหรือรถหรูต้องหลายคันซึ่งเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เพราะว่าคนรวยๆบอกส่วนมากจะมีรถแต่ปัจจัยที่ห้า ปัจจัยสี่ก็มีอาหารเครื่องนุ่มหอมที่อยู่อาศัยยาสาโรคอย่างคนรวยเนี่ยท่านักศึกษ า, ารรูปใดก็อยากจะถวายพระถวายรถหรือถวายของให้ท่านใช้แบบสะดวกสบายคือยกฐานะของท่านบาคสร้างกุฏิหลวให้อยู่หลังเป็น ล, ล้านเพื่อประดับอารมีเพราะพัพาที่อยู่ในเมืองระดับเจ้าคุณเจ้าคณภาคเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยจะมีลถประจำตำแหน่งเกือบ ท, ทุกรูปเลย จะมีรถหรูๆถ้าใครไม่มีก็ต้องดิน้นรนขนขวายเพื่อมีให้ได้จะได้เบ็นน้อยหน้าผู้อื่นหรือแม้ก็เรามีกูติหลังใหญ่ๆซึ่งสี่เหล่านี้อะไม่บอกกับชีวิตนักบวชซึ่งเป็นไปด้วยความมักน้อยสันโดษหลวงปู่ชามองเห็นเรื่องนี้ท่านก็เลยไปเสดไม่รับรถซึ่งก็สร้างความเสียดายให้แก่ลูกศิษย์มากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปไปที่วัดทับแสงเพชร ก็มีลูกศิษย์แต่ละคนมีรถใหม่ๆเบนซ์มั่งวันโว่มั่งเอ็มั่งมาเชิญให้ท่านนั่งหลวงปู่ชาไม่ยอมนั่งคันไหนเลยไปเลือกไปเลือกชี้เอาที่คันที่เก่าที่สุดเจ้าของรถ ด, ดีใจใหญ่เลยแล้วก็ต้องขับลำหน้าขึ้นเขาปรากฏว่ารถติดยาวเหยียดเลยเพราะว่ารถรถใหม่ๆหรูๆเลยต้องขับตามหลังรถเก่าๆปูเรงบูเรง ซึ่งหลวงปู่ชาก็เป็นตัวอย่างให้ให้ดูในความมักน้อยสันโดษแล้วก็บีกเรื่องหนึ่งมีลูกศิษย์ของท่านอยู่คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้เชื่อเรื่องหมอดูมากจะต้องมาให้หลวงพ่อชาเนี่ยดูดวงให้ได้ไม่งั้นไม่ยอมตอนแรกหลวงพ่อก็ไม่ยอมดูให้เพราะมีความสึกว่าท่านเนี่ยมองก็เรื่องเป็นเรื่ององม ง, งายคือท่านสอนเรื่องธรรมะปล่อยวาง มันไม่แน่หรือหลุดพ้นต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ยอมดูลูกศิษย์คนนี้ก็อ้างบุญคุณว่าอุปถัมภ์หลวงพ่อทุกอย่างเวลาหลวงพ่อะไปไหนเนี่ยผมก็อุตส่าห์ยอมเสียเวลาพาหลวงพ่อไปนู่นไปนี่หลวงพ่าหลวงพ่อใจอ่อนก็เลยยอมดูให้ลูกศิษย์คนนี้ดีใจมากที่หลวงพ่อชายอมละเมิดกฎเถธอเป็นคนแรกคนสุดท้ายหลวงพ่อชาบอกไหนเธอเอมือมาให้ดูสิ รู้สึกก็ค่อยยื่นมือมาหลวงพ่อชาเริ่มทำนายแล้วก็บอกว่าอนาคตของเธอมันไม่แน่และไม่นอนซึ่งรู้สึกคนนั้นก็อึ้งเลยพอรู้ว่าอนาคตไม่แน่ไม่นอนที่จริงคนละอนาคตไม่แน่ไม่นอนทุกคนนะจนหลวงหลวงหลวงพ่อชาเนี่ยจะมีสโลแกนใช้ไปจามตัวเลยบอกมันไม่แน่ คือคำว่ามันไม่แน่นี้ก็คือเป็นนิจยังทุกขังนาัตตาใช้ได้กับทุกเรื่องบางคนผัวเมียเลิกกันไ้าท่ออีกคานึงใช้คาว่ากูว่าแล้วหรือไม่ก็ทะเลาะ ก, กันสิ่งของบางอย่างหายเราก็ท้ออใจก็ได้บอกกูว่าแล้วสักวันเราต้องจากกันของทุกชนิดแหละไม้จะเป็นสามีภรรยาจะหนีไม่พน้นกดล่วงกว่าไม่แน่ อย่างที่หลวงพ่อชาพูดไว้ที่หลวงพ่อชามีหลายเรื่องแต่เรามาจะเล่าเล่าหลวงพ่อลูกอื่นบ้างอันนี้ข้าไปเล่าเรื่องของหลวงพ่อประสิทธิ์ก็แล้วกันหลวงพ่อประสิทธิ์ในนี้ญาติโยมบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านอยู่เกาะสีชังอำเภอศรีราชาจังหวัดชล บ, บุรีธรรมดาจะมีผู้แม่ชีถ้ามีปีกมาอยู่วัดนี้หลายคนแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นมาทำวัดหายไปหมดหลวงพ่อประสิทธิ์ตอนที่ท่านบุกเบิก วัดไทยปีกใหม่ๆนะที่นั่นลำบากมากคือว่าจะเป็นเขาทั้งลูกเลยเขาแล้วก็หาน้ําดื่มก็ลําบากคือที่นั่นขาดแคลนน้ํำคือไม่มีน้ำป่าเลยจะใช้น้ำฝนแล้วก็ต้ะจนกับนักเลงเจ้าถิ่นซึ่งก็อยากได้ที่ตรงนั้นจึงโดนนักเลงเจ้าถิ่ น, น ล, ล่าลานอยู่เรื่อยแต่ท่านก็ฝ่าฟันยากลำบากจนสามารถสร้างวัดจนได้ จบประสะาําเร็จทุกวันนี้วัดใหญ่โตมากถ้าจะปิกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีแม่ชีมากแล้วที่ที่วัดนี้นะจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึง่งคือพระที่บวชส่วนมากจะบวชตลอดชีวิตพระที่ธรรมารู้จั ก, กจะไม่มีคนไหนสึกเลยพระไารปิคคือสัญญาหลวงพ่อไว้ว่าต้องบวชกันตลอดชีวิตห้ามศึกนะจึงไม่มีใครบวชเล่น พรสาบางบหลวงพ่อไว้แม่ชีเหมือนกันแม่ชีมีน้อยคนมากที่สึกไปที่ยอมแหกกฎมีไม่กี่คนหรอส่วนมากขาศตายในผ้าเหลืองหรือผ้าขาวนั้นแหะสารวัตรพระประทับเยบปิกมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสิทธิ์ไปเดินบิทบาทก็เจอนักเลงเจ้าถิ่นซึ่งขาประจําซึ่งละลานหลวงพ่อประจําอยู่แล้วพเพราต้องการไล่หลวงพ่อจะออกจากเกาะนี้ไปจะได้ยึดวัด ไปด่าครับเปไปอย่างคล้ายๆหลวงพ่อก็เดินไปหาเลยบอกเมื่อกี้มึงว่าใครนักเรงก็บอ ก, กว่ามึงกแหละหลวงพ่อพี่ก็บอกว่าเออแล้วไปว่ามึงไม่จะว่ากูแล้วก็จับแล้วก็ขย่านักเรงแล้วก็เดินไปนักเรงคนนั้นก็งงคําว่ากูว่ามึงไม่ได้ว่ากูเนี่ยคือเปลี่ยนไงเปลี่ยนข้าง คือเป็นอุบายกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็สอนสอนพักกับแม่ชีนะถ้าใครว่าเราไม่ดีเนี่ยเราก็ยอมรับไปเลยว่าเราเป็นคนไม่ดีร่างกายเราเนี่ยต้องขับถ่ายต้องอาบน้ําเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่สุดแล้วเราเป็นคนไม่ดีก็แล้วกันใครบ่าว่าเราก็รับรับไปเถอะเราไม่ดีหาหาส่วนดียากร่างกายนี้เป็นทุกข์เหลือเกินหาความแน่นอนไม่ได้เลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อสิทธิ์เนี่ยไปพูดขัดคอกับนักเลงหลวงพระผู้เฒ่าด้วยกันมัน้งพระรูปนั้นมโหมโหหลวงพ่อวสิทธิ์มากก็ใช้ไม้เนี่ยคือก็ข่มขู่กันก่อนบอกมึงแน่เหรอหลวงพ่อสิทธิ์บอกผมไม่แน่ครับไม่แน่คือยอมแล้วแต่องค์นั้นไม่ยอมนะก็เอาไม้นหน้าสามเนี่ยตียหัวท่านจนเลือดอาบเลยเนะย็บต้องหลายเข็ม คนที้โดนโดนตีหัวหลวงพ่อศรีก็ตั้งสติได้ท่านท่านก็มองพิจารณาพิจารณาความเปื่อยเน่าของร่างกายแล้วบอกเลือดเราเนี่ยล้างแผ่นดินบ้างก็ดีคือท่านไม่มีจิตโกรธคนที่ตีหัวท่านเลยซึ่งจะหายากคนแบบนี้คือโหสิีกรรมมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุหมดซึ่งผลสุดท้ายท่านก็ไปหาหมอไปเย็บ แล้วก็พระที่ตีหัวท่านก็โดนจับสึกแต่ตอนหลังก็มาขอเข้ามาท่านท่านก็โหติกรรมให้แต่ตอนหลังพระลูกแล้วก็รับกรรมไปแล้วไม่นานก็ตายพอสร้างกลับเอาไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของครูบาอาจารย์หลวงพ่อภาษีก็มีอีกหลายเรื่องแต่มาจํามาเล่าก็สองเรื่องก่อนต่อไปก็ไปเล่าเรื่องของหลวงพ่อดีนอหลวงพ่ออีนอเนี่ ย, ย, ยโยมญาตพอายมเนี่ยอาจจะฟังบ่อยพ่อะรรมมาเคยพูดหลายครั้งแล้ว ที่สะะารนาอาจารย์ภาษาเคยประเทศแต่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็ถือว่าฟังใหม่ก็แล้วกันหลวงพ่อดีเนะ อ, อยู่ที่จังหวัดอุดรอยู่วัดปชีมาอยู่วัดปชีมาวาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรหลวงพ่อดีนอนเนี่ยเป็นพระยุคสมัยเดียวกับหลวงปู่มั่นเกิดประมาณ สองสี่หนึ่งหนึ่งห้าเป็นพักพักเก่ามนภาพก็เป็นประมาณปีสองสองสองห้าหนึ่งสามก็มีอายุได้เก้าสิบแปดปีแล้วตอนหลังก็ไปเจ้าคุณด้วยโดยในหลวงตั้งให้ว่าสาธุอุทานธรรมวา ท, วาทีคือท่านเนี่ยจะมี ฉชา้ยาว่าหลวงพ่อดีเนาะเพราะท่านคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกใครทำอะไรขัดใจท่านก็ดีเนาะหมดก็จนได้ฉายานี้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์มาที่มณิโมนไปฉันเพลงที่บ้านแล้วก็สแสดงธรรมด้วยตะเพอเอรลดเสียซึ่งหลวงพ่อก็ รอต้องนานตอนแรกก็ตั้งใจไปฉันบ้านงานเลยกะไปฉันเช้าเห็นเห็นเห็นคนนิมนต์ไม่มาทีก็เลยบอกเออก็ดีเนาะเราฉันอาหารเราเองดีกว่าตักอาหารเข้าปากได้บี๊กคำเจ้าภาพดันมาหลวพ่อก็บอกเอะก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ได้ก็เลยเลอกฉันพอคือนรถไป รถวิวิไปได้สักพักหนึ่งรถเจ้ากรรมดันเสียอีกรถเสียเดีย่ยก็ต้องจอดซ่อมหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะจะได้พักชมวิวพอซ่อมไปซ่อมมาสักพักหนึ่งโชเฟอร์ก็มาบอกอมมาต้องช่วยเข็นนะหลวงพ่อช่วยผมเข็นด้วยหลวงพ่อดีเนาะอายุมากแล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกอืมก็ดีเนาะจะได้ช่วยออ ก, จ ะ, ออกจะได้ออกร่างกายยืดเสยยืดสายนหน่อย พอเข็นรถติดแล้วลรถก็วิ่งไปที่บ้านเจ้าภาพไปถึงก็เลยเวลาเพลยแล้วสุดแล้ววันนั้นหลวงพ่อที่รออดฉันหลวงพ่อที่นก็ไปถึงบ้านงานก็บอกก็ดีเนาะมาถึงก็ได้ทําหน้าที่เลยคือคือขึ้นใบเทศเลยขณะกําลังเทศอยู่ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าภาพก็เป็นห่วงหลวงพ่ออาหารวันนี้ไม่ได้ฉันเลยก็รีบชงกาแฟาถวาย ดรีบร้อนไปหยิบกระปุกผิดคือกระปุกเกลือกับน้ำตาลอยู่ใกล้กันแล้วก็สีขาวเหมือนกันดันไปหยิบกระปุกเกลือก็เลยเอาเกลือใส่ไปหลายช้อนหลวงพ่อพอทานกาแฟปุ๊บก็บอกก็ดีเนาะเปลี่ยนรสชาติแล้วทานก็ฉันข้างไวครึ่งแก้วก็าวางไว้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ก็จะมา ขอทานส่วนที่เหลือพ่อธรรมดาหลวงหลวงพ่อรีนอสได้เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่ากินของต่อจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นมงคลถึงแย่งกันนะบางทีพวกครูบาจาที่เป็นเกจิเนี่ยเวลาบ้วนชานหมากอลไรลูกศิษย์จะย่งเก็บเลยหรือทิ้งของอะไรเนี่ยก็ถือว่เป็นมงคลเอามาบูชาในแต่ความเชื่อผมสิคนนี้ฉันอรับประทานกาแฟไปได้หน่อยเดียก็พวดออกมาทั้งปากเลยบอก หลวงพ่อกาแฟอะไรเนี่ยเค็มปิป๊ปปีอย่างเงี้ยหลวงพ่อฉันกาแฟได้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าเราฉันกาแฟหวานม า, มามากแล้วฉันกาแฟเค็มๆก็ดีเนาะคือท่านจะมองโลกในแง่ดีหมดอะไรก็ดีเนาะหมดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือที่ความที่หลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังจึงมีคนถวายของมากกุฏิของท่านเนี่ยจึงมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ท่านไม่ได้คิดว่าเป็นของส่วนตัวนะเป็นของวดัดแต่ท่านดูแลให้ท่านเปนเจ้าวาดโจรก็ขึ้นมามาพ้นท่านโจรก็มาข่มขู่ท่านเลยบอกหลวงพ่อมีขอแล้วมาให้หมดนี่คือการพ้นหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะเอ็งเอาไปก็ดีข้าขี้เกียจเฝ้าสมบัติพวกนี้ละคือเบื่อเต็มที โจมันก็บอกว่าไม่ใช่แค่ป้นนะจะฆ่าหลวงพ่อด้วยต้องปิดปากเจ้าทรัพย์ส่วงพ่อบอกก็ดีเนาะฆ่าเองก็แก่แล้วต้องมาดูแลสังขารไปทุกข์ระเป่าแต่ตายก็ดีเหมือนกันโจรก็งงป้นก็ดีเนะาะจะฆ่าก็ดีเนาะก็เลยมีฟวามรสึกว่าไม่ฆ่าก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมป้นอย่างเดียวก็พอหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะ ถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องรับกรรมถูกตำรวจไล่จับแล้วก็ติดคุกติดตารางตายไปเองก็ตกอาลกด้วยซึ่งเองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ไม่ต้องรับกรรมตัวนี้ก็ดีเนาะโจรก็คิดได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นก็เลยไม่โ้นแล้วก็ไม่ฆ่าหลวงพ่อแต่ตอนหลัง โจยคนนี้ก็โดนตำรวจจับนะโดนตำรวจจับก็ตอนหลังสำนึกบาปก็มาขอบวชกับหลวงพ่อจนตลอดชีวิตแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อดีเนาะกำลังเดินบิถบาตอยู่เพลินเด็กกำลังเล่นฟางก้อนหินกันคือเฟี้ยงพลาดมาโดนมาโดนหัวท่านอยู่เหนือหว่างคิ้วหัวแตกเลยสภาพลูกศิก็มาช่วยทำแผลท่าน แล้วก็ด่าเด็กแต่หลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาถ้าโดนตาตาบอดถือท่านมองโลกในแง่ดีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเนี่ยสามีตายก็บอกหลวงมาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสามีฉันตายไอ้ความหลวงพ่อชอบพูดดีนอะเนี่ยท่านหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็ดีเนาะโยคนนี้เปลูกศิษย์ก็ด่าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อสามีจะตายดีเนาะได้ไง หลวงพ่อบ้าหรือเปล่าหลวงพ่อที่เราบอกบ้าก็ดีเนาะคือหลวงพ่อเนี่มองโลกยนแง่ดีหมดอะไรก็ดีเนาะหมดมีครั้งหนึ่งมากรุงเทพเนี่ยมากรุงเทพแล้วก็ขึ้นรถไม่ทันท่านก็บอกดีเนาะคือทั้งนั้รถไฟจากกรุงเทพกลับอุดรวันรุ่งขึ้นอีกวันท่านก็มาทันท่านก็บอกว่าดีเนาะลูกศิษย์ก็เลยงงลูกศิษย์บอกหลวงพ่อขึ้นรถทันก็บอกดีเนาะไม่ทันก็ดีเนาะหมายความว่าไงหลวงพ่อบอกว่าถ้าขึ้นรถไฟไม่ทัน เราก็อยู่เที่ยวกรุงเทพอีกวันหนึ่งก็ดีถ้าเราขึ้นรถไฟทันเราก็ได้กลับอุดอรก็ดีซึ่งหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยท่านมองโลกในแง่บวกในชีวิตท่านเนี่ยจึงดีเนาะตลอดจนจนได้ฉายาดีเนาะท้าเป็นปเจ้าคุณพระเทพสุนิธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซึ่งแปลตรงตรงคือดีเนาะอันนี้มีตัวตัวอยู่ตัวตวอยู่จริง เป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่มั่นและไป็เกจิอาจารย์ชื่อดังคนจักรวรรดิ น, นับถือมากตอนนี้จบหลวงพ่อดีนอกเก็ไปเรื่องหลวง ป, ปู่บุษฎ า, า, าก็แล้วกันวันนี้อาราจะเล่าอะไรเรื่องพระธรรมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เทศพยงฟังเท่าไหร่หรอกโอกาสเทศน้อยมากและพุทธบ้านแบบอาราเนี่ยจะไม่มีในวัดนี้มีคนเดียวคือว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถือว่าเล่าแล้วโยงฟังสุขหลก็แล้วกันเพราะเพราะเดี๋ยวก็ไม่ได้เทศแล้วแหละ เ, เ, าาเดี๋ยวเจ้าพระเดี๋ยวเจ้าขอหอไตามาอดเทศอันนี้พูดเรื่องหลวงปู่สดาหลวงปู่สด า, สดานี่ก็เป็นพระที่ครูบาอาจารย์นับถือเกือบทั้งประเทศท่านอยู่วัดกลางชูศรีเจริญที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านมาภาพตอนอายุร้อยกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อายุยืน คือสายธรรมอายุถือนับถือท่านมากเลยนะมองว่าท่านเป็นผู้ผู้บรรลุธรรมรูปหนึ่งของประเทศไทยคือเก่งทุกอย่างหลวงปู่บุษดาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึง่งท่านก็ไปบ้านงานอันนี้อาจารย์พสารเคยเล่าบ่อยแต่มาเล่าอีกทีก็ได้เพราะว่ามันมีหลายเรื่องขณะที่รอรอสวดมนเตรียมฉัน ฉันเพลนมัน้งเจ้าภาพก็ให้หลวงปู่เนี่ยพักอยู่ห้องห้องหนึ่งแต่ห้องข้า ง, างหรือข้างบนเนี่ยมีจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมั้งเดินใส่เกี้ยเดินไปเดินมาลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยทนไม่ได้เลยเคือกลมเริ่มเสียล้วเดินเสียงดังก็เริ่มจะไม่พอใจหลวงปู่ก็บอกว่าเขาเดินเข้าดีๆเราเอาหูไปรับเกี้ยวเข้าทําไม ซึ่งอันนี้ดูเหินเผือไม่มีอะไรแต่ที่จริงมันมีสาระนะมีธรรมะแฝงอยู่เยอะเลยบ้านคนเราเนี่ยหูหาเรื่องตาหาเรื่องก็มีคือว่าเขาอยู่เขาดีๆเราก็เอาหูไปรับรับรับความรู้สึกนั้นมาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็นานมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปูดด่ดานเนี่ยถูกนิมนต์ไปเทศตอนนั้นท่าน ย, ยังอายุไม่มากแล้วต้องปเ ท, เทศเทศเนี่ยประชันกัน กับพวกเจ้าคุณซึ่งตอนนั้นเจ้าภาพก็กวางเรื่องไว้เรื่องราคะโทสะโมหะซึ่งมีสามสามกันเทศให้เทศคนละกันพระสองรูปแรกเนี่ยก็เทศเรื่องราคะโมหะไปแล้วแต่ว่าหลวงปู่บุชาดาเนี่จะเทศเรื่องโทสะแต่พระพระเจ้าคุณเนี่ยก็ดูถูกหลวงปู่นะเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระบ้านนอก แล้วก็ดูเฉยเฉยในสายตาก็มีควารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความรู้อะไรยังไงไประยะก็สู้เราไม่ได้ก็เลยแบบโมโมเหยียดหยามแล้วก็พูดว่าถึงเวลาที่หลวงปู่จะเทศแล้วเรื่องโทสะหลวงปู่ก็มองหน้าพารูปนั้นแล้วก็ทำตาข้องขวางอยากจะกินเลือกกินเนื้อสักพักหนึ่ง พรลูกนั้นก็งงสภาพหลวงปู่ก็บอกว่าส้นตีนพระลูกนั้นโกรธเป็นฟืนรถไฟเลยโกรธชนิดฟันออกหัวสภังสีหน้าหลวงปู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปนอารมณ์ดีแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าคําว่าส้นตีนกับฝ่าบาทเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพราะภาษาไทยนี่นะบางทีไม่มีอะไรแต่ว่าคนเราเนี่ยไปปรุงแต่งให้มันเกินความจริงได้แล้วเราก็จะปรุงแต่งตาม มาว่ากูหรือเปล่าเนี้ยทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ลองคิดดูนะฝ่าบาทกับส้นตีนเนี่ยเหมือนกันถ้าแปลลงแล้วอ่ะแต่คำส้นตีดูเหมืนอนยากเลยฝ่าบาทดูเหมือนเพาะแล้วหลวงปูก่ก็ชี้ให้เจ้าคุณลูกนั้นเห็นว่าเนี่อะโถาศอย่างเงี้ยหน้าตาหน้าตาแดงแดงหน้าหัวหน้าแดงแดงแล้วก็ออกอารมณ์เฉืเ่อยแบบเนี้ยแสงเห็นคืออันนี้แสงเห็นจริงๆอารมณ์จริงๆนะไม่ใช่จับอย่างหนังสือนะว่าโถาศจริงๆโกรธจริงๆ แล้วก็เลิกจริงๆเพราะจำจากหนังสือเนี่ยไม่แน่นอนอันนี้ของจริงเลยแล้วแล้วหลวงปู่ดาวขอเข้ามาพระรูปนั้นเพราะประการแสดงโทรศส์แล้วว่าแสดงจริงแล้วก็หลวงปู่ดาวสองเรื่องก่อนต่อไปเอาสมเด็จโตก็แล้วกันสมเด็จโตก็มีหลายเรื่องอารามาก็เล่าเล่ายองฟังจนถึงทุ่มหนึ่งอะเล่าเรื่อง มีอีกครั้งหนึ่งหลวงสมเด็จโตเนี่ยท่านจะพายเรือคือสมเด็จโตเป็นคนชอบพายเรือเองนะคือชอบทําตัวแบบลูกวัดเป็นเจ้าวาดแต่ว่าชอบชอ บ, ชอบงานบริการบาคนไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นสมเด็จเพราะนิสัยของสมเด็จโตเป็นอย่างนั้นเป็นพระที่ไม่ถือตัวบาคนไม่รู้คิดเป็นหลวงตาคนนึงใช้ชีวิตง่ายๆแต่องค์ในหลวง รอสี่นับถือมากนิมนต์เข้าวางบ่อยคือท่านไม่เคยแบกยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระติดดินมีครั้งหนึ่งเ็านิมนต์ท่านไปไปแสดงธรรมรู้สึกจะแถวลาดบวนะถ้าจะไม่ผิดนะขณะนั้นเนี่ยคือต้องเข้าคลองเล็กๆแล้วเพออน้านำามันแห้งเรือเรือเรื อ, เ, อเข้าไม่ได้สุด็จโตท่านก็ลงไปเห็นเรือ แต่ท่านก็าพาโยตไปด้วยพาโยตอะ่ะท่านก็วางบนเออรือแหละ้สึุงสมเด็โตไปกับลูกศิษย์ก็ช่วนเข็นคือชาวบ้านเห็นสมเด็จโตเห็นเรือท่านก็บอกสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้ยพูดกันแบบเป็นแถวแถวนั้นสมเด็จบอกฉันชื่อขัวโตจ่าไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่บนเรืออันนี้ขัวโตขัวโตชาวบ้านก็เลยมาช่วยท่านเข็นจนถึงบ้านงาน่ะ คือสมเด็จโตเนี่ยท่านจะวางหัวโขนท่านได้ท่านไม่ค่อยยึดอะมีเรื่องเล่าอยหลายเรื่องเมื่อกี้เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าท่านเองแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งท่านเทศจากนนบุรีกลับจะกลับวัดละคขังขณะที่แบบนั่งเรือจะก็มีสองสองคนผมมีช่วยจีเาเรือนะแล้วทา่านก็นั่งอยู่สักพักสองคนผัวเมียก็ทะเลาะกันไปมาท่านก็จีเจวเรือเอง แล้วให้สองคนผนัวเมียทะเลาะกันให้พอก็ภายเลยเองจนถึงวัดละคังแล้วก็มีท่านก็เป็นเป็นพระที่เมตตามากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปเทศที่แถวสุพรรณนะระหว่างที่อ้อมคองเนี่ยท่านก็ขอลงก่อนเอออร์ท่านไปเห็นนกกระสาตัวติดบ่วงท่านก็สงสารท่านก็เลยปล่อยนกกระสาแล้วท่านก็ตีของท่านเนี่ยใส่บ่วงแทน ก็นั่งรอกันนะรอรอเจ้าของบ่วงเพราะสมเด็จโตมีควาสุว่านเนี่ยเบียดเบียนเจ้าของบ่วงไงเจ้าของบ่วงแล้วอะ่ะคือไปปล่อยสัตว์ที่เขาจับได้ไนงะจะต้องให้เจ้าของบ่วงเนี่ยยกโทษให้ก่อนโอ้โหสิจะได้ไม่เบยเวีนต่อกันคือไปขัดลาบเขาอะ่ะถ้านก็นั่งรอร่างอยู่นั่นแหละจนคณะของท่านที่จะไปเทศอะ่อสะสมเด็จโตไปตั้งไหนตัง้งนานแล้วก็เห็นท่านนั่งติดแล้วอยู่ติดบ่วงแล้วอยู่ ก็จะช่วยแก้สมเด็จออกไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตามเจ้าของมาก่อนคือสมเด็จโตมีโทษอยู่พอเจ้าของมาแล้วก็ท่านก็ขอโทษแล้วก็ให้ศีลให้พรแล้วก็จากไปเรียฝ่ายเมตตาของพ่อนะมีค้างนึงเลยครับสะพานมีหมามีหมาตัวเดียวนอนฝังสะพานท่านก็มีความสุขท่านไม่ไล่หมานะมีหมาหมากำลังหลับฝันหวานมีความสุข สมเด็โตก็เลยเดินอ้อมลงสะพานไปนลุยโคลแทนก็มีคนถามท่านว่าท่านทําไมไม่ไล่หมาทํานไปยอมยอมลงไปลุยโคลข้างล่างท่านก็บอกว่าเผื่อเป็นหมาโพยสัตว์ทไงอะเพราะหมาเนี่ยเพราะเป็นโพยสัตได้นะกับชาติมาเกิดคือท่ามองโลกในแง่มองมองสัตว์ในแง่ทุกสูงให้ก่อนเพราะสมัยก่อนนะครับพอโพยสัตเกิดเป็นสัตว์สัตว์ก็หลายอย่าง เกิดเป็นกวางบ้างเกิดเป็นลิงก็มีเกิดเป็นช้างก็เคยแล้วบางชาติแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัฉานคือบางชาติก็เกิดเป็นพวกกษัตริย์คนไม่แน่นอนคือพระบุรติศาสตร์เกิดได้หมดต้องบอกเป็นบารมีนานมากสมเัยโตมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนนิมนต์ท่านไปเทศแต่งานนี้เป็นงานที่ค่าจ้างเทศแพงมาก เศรษฐีจ้างท่านเทศร้อยบาทร้อยบาทสมัยนู้นนะก็เทียบกับเงินสมัยนี้ก็คงหลายหมื่นละเพราะว่าต้องร้อยกว่าปีไปแล้วสมเด็จโตก็รับจ้างเทศท่านขึ้นธรรมะท่านก็ตั้งละโมจบท่านก็เอวังก็มีด้วยประการชันนี้หัวเจ้าภาพนี่งงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเงินร้อยบาที่เยอะมากสมัยนู้นแล้วสมเด็จโตพูดเอว ขึ้นมาแล้วเอวางลดดื้อเลยแตเจ้าภาพไม่าจะทำไงลั่นลั่นวาจาไปแล้วก็ต้องให้การเทศไปแต่วันรุ่งขึ้นสมเด็จโตไว้บ้านนี้ใหม่นะไปเทศได้ฟรีอันนี้ไม่ไม่จ้างแล้วเจ้าบ้านเจ้าภาพก็งงกันเมื่อวานสมเด็จโต ร, รับจ้างแต่วันนี้สมเด็จโตมาเทศฟรีธรรมทานซึ่งสมเด็จโตก็พูดซะยาวเพราะท่านพูดเก่งท่านเทศเก่งจนเจ้าภาพเนี่ยมีความสุขและท่ากลับ ซึ่งก็มีหลายเรื่องแต่และมาก็นํามาเล่าแค่นี้ก่อนเพราะเวลาก็หมดแล้วถ้าเล่าให้โยมฟังเนี่ยสองพิบูลเราก็เล่าได้เพราะว่ามีเรื่องเยอะแยะหมดคือเทนไปซ้ำกันก็ได้แต่และ ว, วันเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็เล่าให้โยมฟังสบายๆแต่ก่อนจบอนามาท่องก่อนโยมฟังก่อนหนึ่งก่อนของหลวงพ่อพุทธทาสชื่อว่า มองอะให้เป็นกุศสเพราะคนเราเนี่ยสามารถมองอะไรเป็นครูได้หมดแต่ถ้าเรามองไม่เป็นก็ไม่เขาก็ไม่สอนนะมองธรรมชาติมองสัตว์มองคนเนี่ยสอนเราได้หมดเลยคือมองเป็นก็ได้กําไรชีวิตถ้ามองไม่เป็นก็ให้โทษด้วยนะบางทีเรามองในทางลบกลเป็นอกุศลจิตด้วยเพราะกุศลกับอุศลเนี่ยอยู่ติดกันนิดเดียวอยู่ที่เรามองถ้ามองเป็นก็เป็นกุศลมองไม่เป็นก็เป็นอกุศล บุญกับบาปอยู่ติดกันโยมเลือกเขาเองก็แล้วกันเราเห็นใครทําดีแล้วก็สาธุเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยโดยที่เราต้องลงทุนแม้ระบาทเดียวแต่เราเห็นใครทำดีเราหมั่นใส้เขาเนี่ยนี่เราก็ได้อภิศณ์นะวางใจผิดนิดเดียวก็เสียหายมากแต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยวันนึงได้บุญทั้งวันแหละอาจจะท่องก่อนได้ฟังก่อนมองอะไรมองให้เห็นเป็นกูสอนมองไม้ขอหรือมองคนถ้าค้นหา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 มองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกก็คลายสลายเองขอจบเพียงเท่านี้ขอฝ่าสุขความเจริญธรรมจงเมียญาติโยมทุกท่านจเจริญพร